พ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจจะแน่วแน่ได้ก็อาศัยสติมากำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอารมณ์เบื้องตน้นนะ ไม่อย่างนั้นใจสงบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เลยปกติของจิตหรือว่าใจนี่เนี่ยมันถ้าไม่มีสติควบคุมอยู่แล้วมีแต่คิดกับคิดมันถ้าเป็นสันชาติมันอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแต่แล้วอาศัยแต่ความคิดอย่างเดียวเท่านั้นมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้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 คือว่าคิดล่วงหน้าไปเห็นไปเียว่าคิดไปหน้าเรื่อยๆเนี่ยทะเลว่าอนุโลมไม่มีปฏิโลมคือถอยกลับเมื่อมันไม่มีปฏิโลมอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นแจ้งพ่อคู่เห็นแจ้งนะคือดวงกิตเนี่ยอันที่เราพิจารณาไปนั่นหมายคำว่าสัญญามันจําไป เช่นอว่าเพ่งไปเห็นซากศพอยู่ในป่าชาณูนอย่างนี้นะเมื่อก็เห็นซากศพอยู่ป่าชาณูนแล้วแต่มันไม่เห็นอยู่ในใจนี้เป็นอย่างนั้นบานี้การเพ่งไปเห็นซากศพคนตา ย, ยป่าชานั่นอันนันเรียกว่าอนุโลมการน้อมเอาเครื่องหมายของซากศพนั่นมา เขามาปรากฏอยู่ในใจนี่นะให้มันมาเห็นอยู่ในใจเป็นปัจจุบันเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่าปฏิโลมไเรียว่าถอยกลับเข้ามาใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นทราบถกอันนั้นนะอย่างนี้จิตนี่แหละนี่เราถอยกลบกับสติเข้ามาถอยสัญญาความจํานั้งเข้ามาหาความรู้สึกอันเป็นปัจจุบันนี่นะ เนี่ยท่านเรียกว่าปฏิโลมให้พึงจำไว้มันต้องมีอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้เนะี่ยการภาวนานะ่ะมีทั้งสองอย่างใจมันจึงสงบลงได้โดยเฉพาะเรื่องปฏิโลมนี่แหละถอยกลับเข้ามา mm hmm. เมื่อมันถอยกลับเข้ามาได้อย่างนี้สิ่งใดที่ควรละมันก็ละได้เลย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 ที่เดิมแต่มันปฏิสนธิในร่างกายอันนี้น ะ, ะมันปฏิสนธิอาศัยอยู่ในอภัยวัตถุเนี่ยนั่นแหละแล้วมันก็ไปสงบอยู่ที่เดิมของมันนะมันไม่ดิ้นลนไปแส่สายไปหาอารมณ์ภายนอกต่างๆนี่แหละให้เพิ่งพากันเข้าใจ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 เห็นก็เห็นมัวมัวไปอย่างงั้นแหละค mm hmm. ือมันต้องมาทํากระแสจิตนี้ให้มันใสสะอาดซะก่อนอย่างนี้นะคูยง่ายเหมือนยังไงกระจกส่องเงาหน้าอย่างนี้นะถ้ามันมีขมเหมวอะไรมาติดเกิดกังเข้าไปแล้วก็มองเงาหน้าก็ไม่ชัดเจนนะมัวมัวอย่างนั้นแหละไม่เห็นหน้าได้ทุกกระเบียดนิ้ว ทีนี้ต่อเมื่อเอาผ้ามาขัดขเมเหาที่มันจับอยู่กระจกนั่นออกไปขัดออกไปมัน ก, กระจกนั้นก็สะอาดใสเมื่อขเมเหลามันออกหมดแล้วกระจกนั่นมันก็ใสแจ๋วเลยแบบนี้นะนั่นเนีพอมองดูหน้าตัวเองก็เห็นทุกกระเบียดนิ้วเลย หน้านี่มันมีลักษณะอาการอย่างไรต่ อ, อย่างไรมันก็รู้เห็นได้ชัดอย่างนั่นแหละอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นนะเรามาพยายามขัดจิตดวงนี้นะให้มันสะอาดจากอารมณ์ต่างๆที่มันเคยยึดเคยถือมาแต่อดีตล่วงแล้วมานูน่นมันสะสมเอามาไว้ในจิตนี้ ก็ไม่มีอะไรหรอกความจริงน่ยก็รูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสอันที่น่ารักให้พอใจทต่างๆนี่แหละมันชอบใจหลาย อ, อันดวงกี่ดวงนี้นะมันหลงรักหลงชอบมานับเป็นอเนกชาติแล้วนับชาไม่ทวนหมายเข้ามางั้นนะ่ะที่ล่วงแล้วมานู่นนะ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 การชำระจิตให้สะอาดนี่มันมันมีอยู่สองขั้นตอนนะหรือว่าถ้าอย่างว่าอย่างหนึ่งก็สามขั้นตอนเลยขั้นที่แรกนี่เราชำระจิตนี่สะอาดด้วยศีลนี่เราสำรวมในศีลไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่ตนได้สมาทานมาแล้ว เมื่อสำรวมระวังไม่ล่วงศิกขาบทวินัยน้อยใหญ่เช่นนั้นบาปก็ไม่เกิดขึ้นใน จ, ใจิตใจนั่นแหละใจมันก็สะอาดมาพักหนึ่งแล้วนะสะอาดด้วยอำนาจแห่งศีลนั่นเียว่าใจสะอาดปราศจากบาปอากุศลอย่างหยาบอันนั้นนะแบนี้มันยังบาปอากุศลอย่างกลางเนะี่ยเรามาชำระกันด้วยสมาธิแบบนี้นะ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 การที่จิตมันสงบอยู่ไม่ได้นั่นก็เพราะสติมันไม่ได้ยั่งเข้าไปถึงดวงจิตแท้ hmm. เมื่อสติมันฟูๆอยู่เนี่ยจิตมันก็คิดลอยไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นแนหะสติระลึกไปยังไงจิตมันก็รู้ไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นนะ่ะเรียกว่ารู้ไปในอดีตบ้าง รู้ไปในอนาคตบ้างนี่มันรวนแล้วแต่สติมันไม่ยังเข้าถึงกิตเรียกว่าสติยังเข้าไม่ถึงกิตนะมันจึงได้ส่งกระแสของตัวเองนะไปในอดีตอนาคตดังกล่าวแล้วดังนั้นให้เพิ่งพากันเข้าใจหลักวิชาอันนี้นะหลักทำใจให้สงบลงนี้ มันกระทัดรัดแบบนี้นะแบบเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วันนี้เมื่อจิตตั้งลงไปแล้วเราจะเพ่งกรรมฐานอะไรก็เพ่งนี้จะเพ่งอสุภากรรมฐานคนผู้รักสวยรักงามมากไปด้วยราคะตัณหาอย่างนี้นะมันก็ต้องเพ่งร่างกายนี้ให้เห็นเป็นของไม่สะอาด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 ไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรอัตภาพร่างกายอันนี้นะก็เพ่งดูให้อสุภนิมิตบังเกิดขึ้นในดวงจิตนั้นนี่มันจะได้บรรเทาราคะตัณหาลงถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไม่ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมจะไม่ไปทำชู้จากพันรยาถ้าเป็นไอผู้ชายก็ดี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 ตั้งหลายข้อทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหาเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าใครไม่มันเจริญอสุภะกรรมฐานเนี่ยแน่นอนแล้วกิเลสประเภทเนี้มันต้องมีกำลังทีเดียวผู้เป็นครือขัดเมื่อได้ยินธรรมะบรรยายอย่างนี้ก็ นึกว่าอืมไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของพระนุนทางหา่างไอสุภะกรรมฐานเนี่ยเราผู้เป็นครือข่านี้ไม่จําเป็นต้องมาเจริญหรอกผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยเข้าใจผิดต่ะกลัวแต่ไม่ได้รักสวยรักงามนั่นแหละคนที่ส่งเสริมความรักความใคร่นี่ให้มากเกินขอบเขตแล้วมันถึงได้ทําบาป ครืหัดก็ดีได้ไปแย่งเอาเมียคนอื่นแย่งผัวคนอื่นอยู่มูนี้มันก็เนื้อมาแต่มันมากมากในกามเนี่ยในความรักความใคร่นี้แหละลงถึงกับได้ฆ่ากันมุนี้นะก็เพราะความรักไม่ไมใช่เหลอมียูดาดินในโลกอันนี้ทำไมถึงจะไม่ใช่หน้าที่ของคารืหัดเราการเจริญอสุภากรรมฐานนะ เป็นหน้าที่ของทุกคนแหละผู้ที่ยังละความรักไม่ได้นี่นะมันส่งเสริมให้มันเกินขอบเขตแล้วมันก็เป็นอกุศลแหละบ่านี้นะความรักอันนี้นะกลายเป็นบาปอากุสลกลายเป็นกรรมเป็นเวรไปนะเป็นอย่างนั้นเป็นนักบวชก็ไม่เจริญงอกงามในพรหมจรรย์เลยอยู่ในพรหมจรรย์นี้ไม่ได้ถ้ามากๆเข้าแล้วนะ พวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้ตลอดนั้นก็เพราะมันบรรเทาราคะตัณหานี่แหละไม่ได้ให้เข้าใจกิเลส ต, ตัวอื่นนั้นค่อยอยังชั่วนะตัวนี้แรงกว่าเพื่อนทั้งหมดเลยผู้เป็นนักบวชต้องสังวรระวังเป็นพิเศษอย่าให้มันครอบงําจิตใจได้แม้เป็นครือขัดก็เหมือนกันนะออื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 เป็นเหตุให้เกิดความโกรธความเมตต า, วาความรักอันนี้นะเพราะว่าเมื่อเมื่อความรักอันนี้มันเกิดขึ้นในใจเราไปแสวงหาเมื่อแสวงหาสิ่งที่ตนรักนั้นบังเอิญคนอื่นเขาก็พลรักรูปนั้นอยู่แล้วตนถ้าจะไปแย่งเอาของเขาหรือม่เช่นนั้นตนรักรูปนั้นอยู่ก่อนแล้วคนอื่นมาเห็นเขาก็รักเหมือนกันอีกก็มาแย่งกันเขา้า มันก็เป็นเหตุให้สังหารกันย่อยยับลงไปไม่ข้างได้ก็ข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเลยก็มีอยู่ถมไปแล้วมีประโยชน์อะไรแล้ววันนี้ลองคิดดูความรักของใครนี่นะถ้าหากว่าไม่ระงับมันเลยปล่อยให้มันเกินขอบเขตแล้วมันก็เป็นเหตุได้ทำบาปได้ทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ทำชั่วได้ทั้งนั้นเลย แล้วก็เป็นบอ่อเกิดแห่งความโกรธความหลงไปตะพืดตะพื้แหละเมื่อมันรักผิดหวังไปมันก็โกรธพยาบาทคนที่มาแย่งรักของตัวเองนั้นอย่างนี้นะทั้งนี้ก็เพราะมันหลงวะนี้นะนมันหลงมันมีความเห็นผิดคิดว่ารูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้น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 อาบน้ําชําละขัดถูด้วยสบู่สะอาดแล้วไ ป, ไปหน่อยหนึ่งพอเหงื่อไค่ไหลออกมาจับอยู่ตามขุมขนหมดนั้นเกลกังจับอยู่ตามผ้านุ่งผ้าหฮมเสื้ออะไรหมดนั้นอหน่อยนึงก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาแล้วนั่นนี่แหละของไม่เที่ยงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สะอาด ถ้าว่ามันเที่ยงอย่างนี้นะเมื่อชำระขัดถูสะอาดแล้วมันไม่ต้องมีเหงื่อใครอะไรออกมาเลยมันก็สะอาดอยืงนั่นเลื่อยไปมันไม่แปรสภาพเป็นอย่างอื่นไปเลยอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่ามันเที่ยงนะแต่ลองไปหาได้ที่ไหนล่ะในโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสที่มันเที่ยงยั่งยืนอย่างนั้นมีเหรอไม่มีนั่นแหละ จิตใจมันหลงอนะ่ะมันสําคัญผิดมานับอนเนกชาติแล้วนะควรจะตื่นตัวกันได้แล้วอันเป็นคฤหัสถ์ก็ดีไม่ควรที่จะไปนึกว่านั่นเรื่องของพระต่างหากหรอกไม่ควรคิดอย่างนั้นเพราะว่าจะเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามมันก็หลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหมือนกันนี่แหละ ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคือเรือหัดหลงก็เป็นเหตุให้ทําลายศินทั้งห้าข้อนั่นนะถ้าบัญชาชิตหลงก็เป็นเหตุให้ทําลายสิขาบทน้อยใหญ่เออที่อยู่ในวิสัยที่ตนจะพึ่งรักษาจะพึ่งสํารวมระวังมันก็สํารวมไม่ได้เพราะอํานาจแห่งราคะตัณหาอันนี้ถ้าสะสมให้มันรุนแรงเข้ามาแล้วมันไม่ไหวอ่ะ มันไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยมันจะไปตกนรกส ก, กีหลุมมันก็ยอมไปฮะตัณหาตามืดมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าตัณหาหน้ามืดนั่นแหละมันตัณหาตาบอดก็ว่าได้นั่นจึงไม่ควรประมาทควรพากันเจริญอสุภะกรรมฐานนี่ เสมอเสมอไปแหละผู้เห็นทุกเห็นภัยในวตะสงสารนี้แล้วนะผู้เห็นโทษแห่งกรรมแห่งเวรแห่งความชั่วร้ายต่างๆในโลกนี้แล้วเห็นว่าบุคคลที่พ้นทุกข์ไปไม่ได้น ะ, ะก็เพราะตกอยู่ภายใต้อำนาจของราคะตันหานี่แหละ ให้เข้าใจเอาเลยเอากงกงเลยบบานี้นะไม่ต้องอ้อมข้อมอะไรล่ะจะเป็นเครือขัดก็าตามเป็นนักบวชกว็าตามล้นวนแต่ตกเป็นธาตุของราคาตัณหานี่ทั้งนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ได้เพียรชำระสะสางมันนะจะไปทำชั่วอย่างใดเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม กล่าวมุสาวาดดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆหมูนี้มันล้วนตั้งแต่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะความกำหนัดยินดีนี่ทั้งนั้นแหละลองคิดดูคิดดูให้ละเอียดมันเจ็ดจึงจะเห็นได้ออทำใจให้สงบลงไปซะแล้วก็ใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูแล้วมันเห็นได้ชัดๆเลยทีเดียว ถ้าหากว่าใครยังมีจิตทุ่งสั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะราคะตัณหาอันนี้แล้วมันจะมองไม่เห็นหรอกไม่เห็นโทษของความกำหนัดยินดีเหล่านี้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เกียงได้ทรงเปรียบ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 ไม่ไม่สมประกอบนั่นนะคาว่าเปรตนี่นะท่านกล่าวไว้ในตำร า, าไอ้ตัวใหญ่เท่าวัวเท่าควายนี่แต่ปากนั่นรูรูปากนั่นแคบแบน้อยเดียวหนึงนะ่งอ่พอรวมเข็มเล่มหนึ่งนี่แหละจะกินน้ำก็ไม่ได้จะกินข้าวก็ไม่ได้ แต่หักหิวอยู่อย่างนั้นหิวแล้วจะกินไม่ได้ได้รับทุกขทรมานอยู่อย่างนั้นทั้รภาษาริบุตรบินทบาตแล้วเดินตามชายหาดริมน้ําไปไปเห็นเปรตต้นหนึ่งนอนอยู่ริมน้ําจะกินน้ําไม่ได้อเปรตนั้นจึงได้คล่ําควญ ตั้งแต่ชาติก่อนนั้นอข้าพเจ้าก็เป็นญาติกับท่านนั่นแหละว่างั้นแต่ว่าข้าพเจ้าทําชั่วตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็นเปรตอยู่นี่อไม่ได้ทําบุญทําทานไม่ได้เข้านา้ําเป็นทานแล้วก็ไปทําชั่วอย่างอื่นเข้าไปาตายแล้วก็เลยมาเป็นเปรตอยู่นี่หิวหอยอยู่อย่างนั้น ขอพระคุณเจ้าได้สงเคราะห์ด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรท่านจึงได้เอาข้าวอาหารในบาทของท่านนั้นตักบาตให้แก่พระภิกษุที่เดินตามมานั่นนะแล้ใส่บาตให้องค์โน้นบ้างองค์นี้บ้างไปแล้วอุทิศส่วนกุศลนั่นให้แก่เปรตนั่นเมื่อเปรตนั่นได้รับอนุโมทนาแล้ว ก็จึงพ้นจากพอเป็นเปรตนั้นได้บริโภคอาหารอิม่มน้ำสำราญไปได้นี่แหละเมื่อเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาแล้วก็มาเป็นอสุรกายเพราะบาปกรรมนี่นะมันมันค่อยผ่อนหนักเป็นเบาไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นไม่ใช่มัน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 เป็นมูลเหตุให้เกิดโมหะหลงสำคัญผิดคิดว่ารูปนั่นไม่สวยไม่งามแต่เข้าใจว่าสวยว่างามไปเสียงนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีภัยราอเพราะว่ามันเกิดแล้วดับไปเนี่เสียงต่างๆนะเมื่อเพ่งดูด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยจะเป็นเสียงคนก็ตามเสียงสัตว์ก็ช่างนะ เสียงผู้ชายก็ตามเสียงผู้หญิงก็ตามมันก็สักแต่ว่าเสียงพระศาสดายังในทรงสอนให้เพ่งให้เห็นเป็นสัทธาธาตุเสียงก็เป็นธาตุชนิดหนึง่งถ้าว่าเป็นรูปก็เรียกว่าเป็นรูปละเอียดท่านเรียกว่าอุปทายรูปรูปอาศัยมหาภูต ร, รูปทั้งสี่เนี่ย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 มันก็แค่นี้แหละอันเสียงนล้นนะเราต้องเพ่งดูต้นต่อของมันให้มันเห็นให้มันรู้แจ้งด้วยปัญญาไวแล้วมันจะไม่ได้ตื่นเต้นกับเสียงต่างๆที่มันแว่วเข้ามาใส่หูเนี่ยไม่นุ่มนิ่มแข็งกระด้างเบาอย่างเป็นนั่งในของแข็งแข็งอย่างนี้นะไม่ชอบใจแล้วถ้าได้เป็นนั่งฟูกบบกอันอ่อนนุ่มนิ่มเน่พออกพอใจ ได้นอนในฟูกเบาเท่อ่อนนุ่มนิ่มเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ชอบอกชอบใจนอนไม่อยากตื่นเลยอ่านั่นเนี่ยเรียกว่าติดสัมผัสยินดีในสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มนั่นโมนี่ก็พอะมันหลงนะมันเข้าใจผิดไป การที่บุคคลจะมาขจัดความหลงเหล่านี้ออกไปก็ขจัดด้วยปัญญาวิปัสสนาอย่างที่ว่านั่นนะทำใจให้สงบของใสแล้วก็ใช้ปัญญาวิจารดูสิ่งที่จิตใจมันเกาะมันคล้องมาจากอเนกชาตินี้นะวิจารให้ถึงความจริงของมันเลยอย่างนี้มันก็หายสงสัยเลยลงความเห็นเอาว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมายินดียินรายมันก็ลงความเห็นเอาอย่างนี้ได้เลยทีนี้นะ mm hmm. เมื่อมันลงความเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าความยินดียิรนรายเนี่ยมันจะระ ง, งับไปทันทีเลยก็หาไม่ได้แต่เมื่อมันลงความเห็นไว้ยอย่างนี้เนะี่ยมันก็จะได้สำรวมระวังจิตใจของตนเรื่อยไปใช้ปัญญาสอนจิตนี่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 เมื่อความรู้ยิ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้แหละพอตามันเห็นรูปเข้ามันก็นดรู้ความจริงของรูปนั้นได้ทันทีมันไม่ทันวิตกวิจาร์ว่าเอ๊ะรูปนี้สวยงามน่ารักงี่งหนอะไรเนี่ยมันไม่ได้วิตกไปอย่างนั้นหรอกถือว่ารูปนี่ขี่ร้ายน่าเกลียดน่าชังหนาอย่างงี้มันมันไม่ได้วิตกไปหรอก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 ถึงมันยืนตัวอยู่ให้รักมันกอ็อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นไม่นานแล้วรูปนั่นก็แปรปวนไปเป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไปแล้วนี้แหละเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงได้มีหลายมีหลายผัวสำหรับเคารพหัดนะอา้าวพอได้รูปนี่มาแล้วชมเชยไปนานนานไปสักหน่อยหนึ่งรูปเนี่ยสำรุดไปแล้ว ผิวพันวันนะอันไรก็สูบซีดไปแล้วอหนังก็เหี่ยวก็ยานไปอย่างนี้นะอะไรอะไรก็สุดโทมไปเบื่อแล้วปะเนี่ยจิตนะไปเห็นรูปอื่นเปลง่งปรังก็บ เ, เกิดชอบใจอา้าวไปแสวงหาเข้าไปแล้วติดต่อเข้าไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาขก<ม>้นเข้า้เาเลยอย่าร้างกันไป หาความสุขความสบายไม่ได้เลยก็เพราะราคาตันหานี่แหละเป็นมูลเหตุอะวนนี้นะปัญญาเราต้องสอดส่องพิจารณาให้มันเห็นเหตุเห็นปัจจัยของความหลงความเมาเหล่านี้อะเมื่อมันเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างว่านี้แล้วมันก็จะไม่หลงไม่เมาแล้ววันนี้นะอ่ามันจะหายหลงหายเมาไปเรื่อยๆไปอะ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 ก็รักก็ใคร่ไปตามสมมตุตินิยมของโลกนั้นอโลกเขาสมมุติว่ารูปเสียงเหล่านี้น่าเกลียดน่าชังอา้าวจิตใจก็หลงเกลียดหลงชังไปตามสมมุติของเขานั่นเนี่ยนี่นะมันติดอยู่ในสมมุติเนี่ยจิตนี่ให้พากันเข้าใจวันนี้การที่เรามาปฏิบัติวิปัสสนานี่ อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี่เพื่อจะลบล้างสมมุตินี่ออกจากดวงขีดนี่ให้เข้าใจกันเมื่อเมื่อมันลบล้างสมมุติออกไปได้มันก็วิมุตซีแบบนี้นะ่ะนั่นแหละคือหลุดพ้นจากสมมุตินั้นนะจิตใจนี่มองเห็นรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสทั้งหลายเป็นแต่เพียงสภาวธรรมสภาวธรรมอันหนึ่งหนึ่งอาศัยกันอยู่เท่านั้น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 เป็นอย่างนี้แหละไอ้ความจริงของชีวิตคือของอัตภาพร่างกายอันนี้นะแต่คนผู้ที่ไม่เชื่อพระปัญญา ต, ตรัสรูของพระพุทธเจ้าแล้วหฮกไม่สนใจไม่สนใจที่จะลงมือปฏิบัติทดลองดูอย่างที่ที่แจงแนะนำสั่งสอนมาอย่างว่านี่แหละบางคนก็อาจจะเห็นว่าเป็น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 มันมั น, ม, นมันถึงไม่เบื่อไม่น่ายมันเป็นอย่างนั้นเดืองมานะต่อเมื่อเรามาตั้งอยู่ในข้อปฏิบัตินี่เอาศีลมาชําระราคะโทสะโมหะอย่างงาบนั่นให้มันเบาบางออกไปแล้วตอนนั้นก็เอาสมาธิมานนนะทําจิตให้เป็นสมาธิลงไปเพื่อชําระราคะโทสะโมหะอย่างกลางนะั่นให้มันเบาลงไป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 ชำละจิตใจอันนี้เป็นขั้นๆไปดังกล่าวมานี่นหะถ้าบุคคลไม่สามารถที่จะชำละให้ถึงขั้นละเอียดอย่างว่านั่นได้ก็ขอให้ชำละขั้นหยามหยาบนี่นะให้มันดับไปให้ได้ทำศีลให้บริสุทธิ์ได้แล้วนี่มันก็ทาให้ราคะโทสะโมหะอยางหยาบนี่ดับลงไป เมื่อกี้เลียังงามนี้ดับลงไปแล้วถ้าเป็นเครือหัาผู้ครองเรือนก็จะมีศีลห้าบริสุทธ์เลยจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดในกรรมทั้งหลายจะไม่กล่าวมูสาวา่าจะไม่ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดไทโทษทุกชนิดแม่ตะบุรีนี่ก็เว้นได้เลยผู้ อพรรมปัญญาให้บังเกิดขึ้นดังกล่าวมานี่นะเพราะว่าบุรีนี่มันก็มีแต่โทษนะไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวเลยไปทำลายตับทำลายปอดทำลายอะไรต่ออะไรอยู่ในอวัยวะร่างกายภายในนูน่นให้เสื่อมโทมลงไปเหตุนนะั้นคนผู้สูบบุรี จ, จัดนะจึงเป็นโรคปอดปอดเสีย เป็นอย่างนั้นตัดทอนสุขภาพภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าตายพรส่งผู้ได้ติดของเศษติดให้โทษเหล่านี้อายุสั้นไม่ยืนยาวนานไปได้เท่าที่ควรเลยถึงถึงบุญวาสนายังไม่หมดก็าตายเพราะตนเองนั่นแหละทำลายตัวเองน่ะเรื่องมันนะแต่ถ้าว่า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 เมื่อมันหมดบุญวาสนาลงเมื่อใดนะมันถึงตายเองบบบ น, นั้นนะแต่ถ้าว่าบุคคลนี่รู้อานาจแก่ราคะตัณหาอย่างที่ว่านี่แหลรู้อํานาจแก่ความหลงความเมาเหล่านีแ้แล้วไปเอาสิ่งที่มีพิษมีโทษ ต, ต่อร่างกายมาบริโภคเข้าไปอย่างนี้มันจะไปอายุยืนไปถึงอายุไขได้อย่างไรลูนั่นแหละ ถึงกรรมเวทแต่หลหลังไม่มีแต่ก็กรรมเวทที่ตนสร้างเอาในปัจจุบันเนี่ยมันตัดรอนชีวิตให้สั้นเข้าไปเพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรเลยเพราะว่ากวัวจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ไม่ง่ายนักต้องอาศัยบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนุ่นมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้ให้มันถึงได้มาเป็นคนจึงได้มาประกอบกุศลคุณงามก่ดีอย่างนี้ แถ้าว่าตนไม่ได้ทําบุญกุศลเพียงพอมาแต่ชาติก่อนแล้วมันจะไม่ได้เกิดมาเป็นคนนี่เลยจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรฉานนู่นอย่างงี้แหละที่เราเห็นกันอยู่นั่นนะ <c oughs> เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรฉานแล้วก็ไม่ได้ประกอบกุศลคุณงามความดีอะไรก็พ้นทุกไปไม่ได้นะอตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนั้นแหละด้วยอํานาจแห่งความหลงความเมา ไม่ได้สร้างความดีใส่ตัวเองไม่มีบุญกุศลอะไรจะมาฉุดจิตใจอันนี้ให้ออกจากวงจรแห่งความทุกข์ได้เลยเอา้าททำบาปหนักก็ไปตกนรกพ้นจากนรกมาแล้วผมมาเกิดเป็นเ ป, นเปรตพ้นจากเปรตมาเปิดเกิดเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายมาเกิดเป็นสัตว์ดิเรกาน คนจากสเดลฉานมาเกิดเป็นคนขี่กระจอกงอกง่อยไม่มีสติปัญญาแล้วก็เอาไปมาไปประกอบกรรมชั่วเสตัวอีกแล้วตายแล้วไปหมุนไปตกนรกอีกเนี่ยท่านเรียกว่าวงจรภาษาสมัยใหม่เขาเขาเรียกว่าไปสู่ทุกข์ครบวงจรเลย เป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่บุคคลผู้นั้นเกิดมาแล้วได้มาพบนักปลัดบัณฑิตเข้าท่านแนะนําสั่งสอนเอารู้สึกตัวได้อย่างนี้ก็มาละกรรมชั่วเหล่านั้นเสียมาบรรเทาราคะโทสะโมหะนี่ได้อย่างนี้แล้วก็มาประกอบกุศลความดีเข้าไปก็เลย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 มีตาหูจมูกลิน้นกายมือเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายครบท้วนบริบูรณ์จิตใจก็ดีแบบนี้นะเอ้ามาตั้งต้นสร้างบุญกุศลทำความดีกันไปไหมอันนี้ก็เป็นวงจร อ, อีกแหละวงจรทางดีแบบนี้นะพ้นจากความเป็นมนุษย์นี่เมื่อบุญกุศลมากเข้าไปก็ไปเกิดเป็นเทวดา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 หรือว่าเป็นเครือข่าผู้คลองเรือนก็มาทำบุญให้ทานเพิ่มเติมเข้าไปอีกบุญกุศลบารมีก็มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับไปนี่อันนี้ก็เป็นวงจรนี่และ น, นี่วงจรฝ่ายกุศลน ะ, ะถ้าว่าผู้ที่มาเจริญสมาธินี่ไปจนได้บรรลุฌานสมาบัตแปดแบบนี้ าตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมบบนี้นะนั่นแหละหมดอานิสง์แห่งเกิดเป็นพรหมเอ้าก็กลับมาเกิดมนุษย์โลกนี้อีกมาสร้างบุญบา ร, รมีอีก อ, อย่างนี้แหละสร้างไปสร้างมาบุญบา ร, รมีมันเต็มขั้นไหนอะแล้วอย่างนี้นะ มันก็ให้ได้บรรลุถึงโลกุตระธรรมในขั้นนั้นนะเช่นอย่างว่าโสดาปฏิผลอย่างนี้นะบางคนก็ยังไม่สามารถจะบรรลุอรหัตผลทีเดียวได้เพราะบุญยังไม่เต็มขั้นนั้นบุญกุศลมันเต็มขั้นโสดาบันก็ได้บรรลุโสดาบันอย่างในครั้งโอฟุตธเจ้าอย่างนี้นะในตำราท่านก็ยังกล่าวว่าอยู่